16. สังสัทธาระวาระว่าด้วยอธิกรกับสมถทรวมกัน 306. ถามธรรมเหล่านี้คืออธิกรก็ดีสมถทก็ดีรวมกันหรือแยกกันพึงได้เพื่อที่จะบัญญัติแบ่งแยกธรรมเหล่านี้ให้เป็นต่างๆกันไปได้หรือตอบ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 ทมเหล่านี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่พึงได้เพื่อที่จะบัญญัติแบ่งแยกธรรมเหล่านี้ให้เป็นต่างๆสังสัทธวาระที่ส6จบ